หาได้กลัวแกะกวามตายไหมร้องบาดเจอหของไปกินกระทั่งทาหารเปองบาปถึงแก่ความตายกาดพระเจ้าวิเตาณดังนั้นน่ะ ก, กลัว ส, ส เ, เวันเรวทีเี้แปลไปสึฐานประมาณห้าร้อยหรือปลาปราวุดครบหือจะเป็นเืออื่นแต่เป็นพวกของโจผีทั้งนั้นหมนมีพวกของพระเอลเลย พระเจ้าินเตยก็ร้องว่าเราเรายอมเมื่อเราจะสมัครแล้วขอแต่ชีวิตเราไว้เถิดกาสิ้นก็จุดว่าถ้าพระองค์ยอมให้แล้ ว, ข, ว, ว, าวาข้าพเจ้าเห็นว่าโจผีราจะไว้ชีวิตมาธรรมารย์จะพระองค์ห เ, เร่งจึงเร่งทำมนสถือหม้อไปจะสมบัติแต่โ จ, จผีเถิดพระเจ้าหินเตดเตด็กกว่นี้นก็สั่งตันขีดสั่งมือนือห้อไปจะสมบัติมีนถืสลนกวัด เราได้เสวยราชสมบัติปกป้องรัศดรได้หยู่เย็นเป็นศุกร์มาท่านานถึงสามสิบสองปีแล้วบัต น, นี้ดาวประจันตปลวเศร้าหมองน้ำใจคุณเมและรัศดรทั้งเพื ก, ก็เห็นว่าเราไม่ควรจะราชสมบัติแล้วฝ่ายดาวประจันตปลวเจ้ผีก็รื่นเริงสว่างบุญ น, นุ่งก็ควรจะราชสมบัติแล้ว ผนังทั้งเตียงและรัฐบาลก็มีความยินดีจะให้เราจะสมบัติจะโจผีมาดนี้เราจึงมอบให้จะสมบัติจะโจผีตามปราถนาคนทั้งเตียงที่มีจะอาเหตุผลยังไงอ่ะอว่าตามที่เขาว่ามาอ่ะบาเรื่งเบาเรื่องเร็วลก็วางกันไปหมดจำปนต้องเขียนก็เขียนฮแล้วก็ให้เรีย แต่คุ ณ, คณนีคุณตัเนี่ัวาสำหรับคนนึงไปมาบให้กโตผีมัเมืงนี้ก่อน คือและปาหยกที่คุณนายนำมาหมอก็ดีใจก็จะค่รับเอาละแต่ว่ายังมีมารยาอยู่โบแตนั้นคุณมายาก็ทำเป็นอยู่สมาอี้ก็จะให้ว่าพี่อย่าที่รับก่อนอย่าที่รับขอให้ทนเป็น จะควรันจะพ่มคำควรมูพาิจิการก็มีอยูมนจะต้องมวิจิการอกโจผีเดห็นด้วยแว่พระมาีว่าก็่ยอ่องรองต่งซื้อก็มีใบเป็นเรื่องราว่าข่าวปจวบโจผีหมอกตารนี้คไปให้ท่านดข่าวรจมีสติปัญญาน้ยนะอยตพิจารณาหาคนมีสติสตปัญญากว่าข่าวปจวบคุณจะรักษาแผ่นดินได้นั้น แล้วมอบไปเจอผมว่าให้เป็นจะควรแต่ทําเป็นว่าไปอย่างนั้นแหละแล้วถ้าอองลองกับคุณแม่ทั้งปวงติงา ย, ยกับนิสุ ข, ของเเนป่กับไปถวายพระเจ้าอินเตอร น, น, นี่คือการาริะจิตใจเป็นอย่างที่สุดนะเพราะเจ้าอนเตอร เ, เห็นนิสุดันงนี้นก็ตกใจอ่า ย, ยังจะไม่เอาอีกแต่ก็รู้ว่าเป็นีเท่านั้นแหะ ก็าถูกถกับคุณนายคุณโวว่าเหตุายโจผีกินคืนปรานี้มาให้เราอีกรอบเหยนบกำกับทีงนี่ได้โยมก็รู้ว่ะเมื่อพระองตั้งโจเถอพระเจดิยนาของโจผีขึ้นจป็นที่มีองค์โจเถอก็มิได้รับจนถึงสามครั้ง เพื่อนตั้งไปเป็นครั้งที่สามหรอกเสือกินรับที่มีองค์ครั้งนี้ก็ขอเพื่อนตั้งไปอีกครั้งหนึ่งก็เห็นว่าเจ้าหญิงจะรับพระเจ้ายูนไปก็ขัดขืนนิดเดียวแต่ว่าก็จำเป็นด้วยกลัวเขาเพราะไม่มีอำนาจไม่มีกาลังไม่มีทหารไม่มีคนใดที่จะปกปักษิทางรักษาเพื่อได้เลยก็ฟังได้องก่ แต่งหนี้สินนี้สินนี้ตวะโตัวผีนี้สมควรอยู่แล้วที่จะรับประาจสมัติแทนเราเมื่อเราคิดถึงเจโฉนะแต่ก่อนบ้านเมืองเกิดศึกราชบวรก็ยับเยินต้องไปอาศัยอยู่ป่ายอยู่เดิมาก็เราได้เจโฉปราบรามท่าศึกบ้าเมืองก็ราษ่าราชบวรที่ยับเดินเป็นศึกแบบนี้ เ, เจโฉหาบุญไม่แล้วโัวผี ได้ขึ้นแทนที่บิดาผลมีบุญมากกว่าบิดาอีกรัประดอนที่ทวงกว่าที่เดิมจะเบริลขันะัดของให้ท่านเสยเรื่อยจะสมบัติแทนเราเทสีขึ้นโยกเป็นการบังคับกันขึ้จะกล่าวเลยจําเป็นต้องเขียนอย่างนี้แล้วแต่าเจ้าอินคือ ม, มันมือถืกปลาห ย, ยกกลับให้โจผีอิทโจผีเห็นมีอถือปลาห ย, ยกกลับมาจะม่กดดีใจ ที่แต่ก็ยังทำทีอยู่ก่อนก็ว่าแกกระซึ่งที่ปรึกษาว่าเขาต้งยึเตะหมอกตราให้ถึงสองครั้งรงเยถ้าจะรับเนาหน้าบัต น, นี้เราเห็นว่ายังหาเพิ่มคาคนมันพาไหมจากเร้่องก็คือว่าถ้าเกรงบางนั้นก็จะเป็นไรค่าก็จะงห้เกียร์อินเนี่ยคุมเอาตรากลับไปถวายทอีกครั้งนึงให้เจียอิน ว่ากล่าวแกวหัวหิงให้พูลพระเจ้าอินเตะวะถ้าถ้าพระเจ้าอินเตวจะมอบบาณฑิผบัห้ิตตจวผีจริงแล้วจนปลูกโรงอภิเศกให้สูงมีพื้นสามชั้นให้ประดับประนาตามอย่างธรรมนูนความเริศดีแล้วให้ขุนนางให้ตัวชุมขุนนางผู้ใหญ่ผู้น้อยให้จงพร้อมกันนโรงพิธีนั้น ให้ท่านขึ้นนั่งนะั่งบนที่อันสูงให้คุณนางทั้นปวงนั่งนั่ที่อันตาําถวายบังคมให้พระเจ้าวิ่นเตะถือพระแสงกระบีและตราหยกสําหรับกระสะับขึ้นเป็นมอบให้แก่ท่านถ้าพระเจ้าวิ่นเตะทําตามดังนี้แล้วท่านก็จะพ้นที่มิลทาโยผีได้ฟังการพิ่งทูนี้ก็ดีใจนะ ก็สั่ให้เตียหญินเอากราีกลับไปถวายที่เจวินเตออีกแล้วก็ให้บอกความแก่หัวหินที่กำลังกลับการอยู่ข้างหูโสนอยู่แล้วนะถเมื่อกวาดไปกลับหูทีะเจวินเตอตามพื่อคำิการเพืนแม่มนี่ะเพราะเจวินเตก็ถามคุณนางีเดียวว่าใดโจผีจึงไม่รับเรื่องสมบัติหัวิงเขก็ไปทูลว่า ซึ่โจผีมีรับวัตถุสมบัติทางนี้เพราะพระองค์มอบวัตถุสมบัตินพะิดขนทมทำเนียมไปแล้วทูลก็ทูลเล่าแบบอย่างทำเนียมก็ตามที่กาเพิณบอกกล่าวมานมื่อกละทูลประการว่าต้องทำโรงพิธีต้องมีวิธีพิธีมอบกันละแล้วก็ทูลว่าถ้าทูลจะมอบวัตถุสมบัติให้แก่โจผีเนี่ย ก็จะต้องกระทำแบงนี้เพระเห็ว่โจผีคนจะต้องรับเป็นมั่นคงฝ่ยายพระญาติพระวงของพระองค์ก็จะได้พึ่งมุนโจผีสืบไปพระเจ้เหิเริเดชฟังแบบนี้นก็ถึงกับฟังทิสะถอนใจใหญ่แล้วก็ต้องฟังให้เสียงอีทให้ไปกระทำตามเพื่อว่ากระทำตามอย่างทันนี้น คันถึงเดียน12ขึ้นห้าขั้มรูีเวลากลายรุ่งต้อินเชิญโจผีขึ้นม่นยังชั้นบนคุณนางผู้ใหญ่ผู้น้อยประมาณส0่ร้อยอยู่ทั้ง3าชั้นให้ทหารประมาณ10บมืน ถือป่าตราวุธร้อมไว้ดุดุดลัวเหมือนกันกลัวคนที่ไม่เต็มใจนะ่ะจะทำอันตรายเอาท่านก็ทำแบงนี้เอคุณพระเจ้าหินเตยน่ะไม่พนะัดไทยน่ะ ก็ทำด้ความหวาดหวั่นทุน่นพื้นหวาดกลัวจนทุกประการละ่ะเมื่อเขาทำพิธีต่างๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยพระเจ้าเหิมเปตก็ต้องแข็งพระทายาทประทานาลที่เขาฝันถือถือพระแสงกับบีอายาสิทธิ์และตราหยกสำหรับกระสับพร้อมกับหนังสือมอบรักจะสมบัติอิทธิบาท นไปมอบให้แก่โจผีมีโจผีก็รับแล้วก็สมงนิงสือคุณนางอานประกาศแกคุณนางรัตตะรนทาหารถวายทั้งปวในที่นั้นแล้วก็ถวายพรนนามว่าพระเจ้า่วยโช์โจผีก็ตั้งอยู่ในที่สมุทรปะแกานั้นมาแต่คีนตอนนี ม, มาบอกตี่ตรา ต้องดีกว่าสัปดาห์วันปีเนี่ยคลาดเคลื่อนแน่ถือว่าปีพุทธศกราช763ถ้า763ก็เป็นปีที่โจโฉสิ้นว่ากันไปตามนั้นและพระเจ้าโจผีก็ตั้งเมืองฮูโตนี่แหละคือตอนนี้ก็อยู่เมืองฮูโตละ่ะให้ขี่เมืองใต้หุบก แล้วกดฟังให้เลยเวยสาอากอนขนนตราสเมี่อเรียด เ, เอาแกรัศดรสามตุยกเคยสาอากรนให้เลยไม่ต้องไปภาษีกันลระแล้วค่อยปล่อยนักโทษในคุกแล้วให้จารึกอักษรที่กุดฝังศพโจโฉผู้บิดา น, นั้นเส้นใหม่ให้ชื่อว่าพระเจ้าไทหล่อฮูฮ่องเต หินมันก็ถูว่าประเพมีแต่ก่อนก็หามีเจ้าถึงสองไม่นี่เมืองใดก็ตามเถอะจะมีเจ้าถึงสองนั่นไม่ได้เพราะอนจะให้พระเจ้าหินเตไปอยู่แห่งใดตำบลใดหรือจะทำประการใดอย่างไรก็แล้วแต่จะโกรธนี่คือการกาจักขจัพระเจ้าหินเตรเาบหินพรบผู้ดังนี้ แลาห็อนอ่ก็จัด ก, การเอนอยู่แล้วให้พระเจ้าหินเต๋อหมอบลองฟังรับฟังพระเจ้าโจผีถ้ามีตรเรียตระหงพระเจ้าโจผีพระเจ้าอวยโชคโจผีก็จึงตั้งพระเจ้าหินเต๋อให้เป็นที่วิเศษที่ฟันเอียงสขให้ไอยู่ในจบอนฟังเองียงเป็นตำแหน่งแห่งที่ที่ไม่มีตำแหน่งเฝ้า ไม่มีเบี้ยวหวัดท่าปีไม่มีอะไรทางนั้นแต่ว่าถึงกับพอเป็นไพ่ก็ยังไม่ถึงดังไพ่ยรอกแห่นมียศมีตำแหน่งไว้หน่อยเป็นซันเอียงกลดแต่ก็ไม่มีอะไรเลยบัดนี้พระเจ้าหยินเตอนีซันเอียงกลนะก็ลาไปเวรหยิมก็ทักก็ะบีออกทีเดียวแล้วก็ร้องสั่งว่าเป็นประเทณีแผ่นดินแต่สมบัติโอมินก็ต้องกําจัดโอมินเสีย ตอนี้เธอเจ้โจผีนะโปรดท่านไม่ฆ่าท่านเสียแล้วยังตั้งให้เป็นฟันเอียงโกลนเพราคุณหาที่สุดนี้ได้แล้วถ้าไม่มีรับฟังให้หาท่านอย่าเข้าเป้าไปมันขาดทีเดียวฟันเอียงกลนคือพระเจ้าเยี่ยมเตือนน้ำพระเมตยพระบอกลาคุณนางเป็นตัวอยงแล้วก็ขึ้นมา พาครอบครัวอพยพไปอยู่ตำบลซั้นเอียงฝ่ายทหารและรัฐบรนชาวเมืองเดินไปเจอเยิ่นเปตรงในประเทศดังนั้นบางก็สงสารกลั่นน้ำตาไว้ไม่ใครได้ทุกคนเลย เพื่เจ้โจผีก็ปรึกษาคุณนางทั้งปวงว่าเราทําทั้งนี้ต้องเบกขมบทันเนียนแล้วรู้ประการใปคุณนางทั้งวงก็กลากร่นแล้วก็ส่เสริมก็เป็นทรรมเนียมเขาอะคนนี้นมีอำนาจแล้วนะทําอะไรอย่างไรก็ตามเพอะมันก็ถูกท้งนั้นแหละเอาเราคุณนางทั้งหลายนี่ก็กลากร่นแล้วก็ส่งเสริมติดระบบการกรทําทั้งนี้ ต้องเวทขันดมกุนีโบราณประเพณีแล้วควรพระองค์จะตกแต่งเครื่องเส้นปรีกรรมเจ้าและเทพ ย, ายดาทั้งดวงพระเจ้าโจผี ก, ก็สัางให้แต่งเครื่องเส้นเมื่อพระเจ้าโจผีกออกมาเส้นเทพ ย, ายดาเวทเจ้าทั้งดวงนั้นกยบังโอมเกิดวมพายุใหญ่พับหมัดทุกเพียงมักไปซีดฝายมันปลิวขึ้นไปในอากาศ อ้อนปลาตีนแล้วก็บังเกิดมีดมนคนที่นั่งอยู่ใต้กันก็แลไม่เห็นตัวกันเกิดอาเพศกันดังนี้พระเจ้าเ จ, าเจาผีนันน่ะตกใจล้มลงไปแม่ไม่เลยครั้นพายุสงบแล้วคุนนางทั้งพวงแลเห็นพระเจ้าโ จ, าจาผีล้มอยู่อย่างนั้นน่ะก็ตกใจ เขาไปอุ้มแก้ไขเป็นครูพระเจ้าโจผีจึงมีสมประดีขึ้นมาคุณนานทงทวดก็เชิญเข้าไปในวังพระเจ้าโจผีก็ป่วยมาเป็นหลายวันนี้ได้ออกว่าระเหตุการคร้นคลอยคลายจะอาการป่วยขึ้นแล้วก็อุตส่าห์แข็งใจออกที้ว่าเหตุการณ์มีการฟั่งให้เรื่องที่คุณนางตามสมควร แต่อาการไข้มันก็ยังไม่หายพระเจ้าเจผีก็สงสัยเขาสงสัยว่าวังที่อยู่เนี่ยมีแต่ผีจะมีปีศาจถึงูีอยู่มากนะักที่ทําให้เราเป็นไข่เหนียวาหายดังนี้ชอบที่เราจะแปรสถานไปสร้างวังอยู่ใหม่นะัมมกมือลกเอียงเถิดผีขอที่อยู่ไม่ดี มีต้บฟางที่ใหมร้างวั ง, หงใหม่ฟางเมืองใหม่กว่าแล้วก็สายฐานไปจัด ก, การสร้างวังใหม่สำเร็จแล้วก็ย้ายจากอุโเตโไปอยู่ยังเมืองอุลกเอียน การความสำแร็จทางด้านการบ้านการเมืองของฮูโตะมิปกุจจะกล่าวว่าเลกเหียงก็ได้ที่เกิดขึ้นแล้วทันีีข่าวทั้งสิ้นนี้มันก็สบพัดไปถึงเซสชวนเล่าปีเดยข่าวเล่าลู้มาว่าโจผีฆ่าพระเจ้าเนีนเตะยแล้ว ทิ้งราชสมบัติแล้วนี่ข่าวอีกหน้ามันก็ต้องเป็นข่าวอย่างนี้บันี้ปั้นตัวขึ้นเป็นเจ้าแล้วมันฟงนีงม้มาอยู่โลกเอี้ยงพลายีเมื่แแกงข่าวแบบนี้ก็ร้องไห้แล้วก็สั่งให้คุณนายรัศดรทั้งพวงนุ่งขาวผม ข, ขาวเห็ดแต่งเครื่อเส้นตามอย่างทรรมนียนที่สูญเสียพระมหาสัตว์ แล้วก็จาฤพระนามพระเจ้าเฮียนเตว่าพระเจ้าเฮามีห้องเตะไปลงในกระดานไม้หอมแล้วก็ตั้งไว้ที่บีชาตั้งแต่นั้นมาเล่าปีก็เดือดร้อนรำคาญใจกรอมกรืใจก็เตอยมาสงไปอีกตอกวารจการนี้ได้ก็ฟังให้คนมุ่งว่าารจการแทน ขงเบงก็จึงเรียกหาเขาจิงเจียงจิ๋วเรืขึ้ น, านามาเพื่อมาปรึก ษ, ษาสาหรับบักนน้โจผีก็ทำลายล้านพระเจ้าเฮียนเตะตไปแล้วเราก็ควรที่จะยกเล่าปีขึ้นเป็นเจ้าคนดินถือโนพระเจ้าเฮียนเต๋ไว้ขงเบงฟังให้ดำเนินการบางนี้างปรึก ษ, ษาจนก่อนโจ้จิ๋วก็จึงว่า ถ้าพระเจ้าดูขอบขันพสะโ s e ามีเสียฉวนเห็นอสสจังประหลาดหลายประการอันนี้ดวดาวประจัมตัวลรอบปีก็มีรัศมีสว่างดั ง, งเท่ากันเพื่อจะยกรอบปีขึ้นเป็นเจ้าเกิดสีบประเวณนั้นนะ่ะควรแล้วคุณนางทั้งตัวเร็นชอบเบื่อดูดมาถึงขุนนางมีอเสถยฉวนนะครับปางโสมชอบเบืยอ ก็จึงทํารื่อราวสิจะยกเราปีขึ้นป เ, ป, นเ ป, ป, ป็นเจ้าแผ่นดินก็ไปถวายเราปียรื่งราวนี้ก็ตกใจก็คุ้นเงินต้องทุงทำบางเนี้จะไม่เรอาตั้งอยู่ในสัพท์ในธรรมดรือผมเองก็จึงทูนว่าที่คิดอ่านทําการท้งนี้ก็เพราะโจผีด้วยินราชสมบัติมันเป็นเชื้อพระวงของท่านก็จึงต้องยกท่านขึ้นเป็นเจ้าแผ่นดินต่อเชื้อต่อวงต่อไป รอบปีก็จริงว่าถ้าเรายอมเป็นเจ้าแผ่นดินดังนั้นถึงเราไม่ได้ชิ้งราชสมบัติก็เห็นอยู่แล้วว่าทิ้งราชสมบัติก็เหมือนไอส้สตูนั้นแหละรอบปีว่าอย่างนี้แล้วก็ลุกขึ้นกลับก็ไปข้างในคือไม่ยอมรับมือมาสามวันคนหนึ่งก็จึหาทินางทั้งสองก็มาต่อร้อมกันเขาเต็ก็ทูอว่าคุณนางได้รับประดรทั้งตรียมรักใคร่กัน คุณปรึกษาพร้อมกันยกทุนคึงเป็นเจ้าหวังจะยกทัพไปกำจัดไอ้โจผีแก้แค้นแทนพร ะ, ะเจ้าเฮียนเต้ถ้าทำไม่ยอมขุนมาและรัศดรทั้งืองก็จะเสียใจรอปีก็จึงวัดข้าพเจ้าเป็นหลานพระเจะ้าเกงเต้ก็จริงแต่เพราะบุญน้อยไม่ควรที่จะเป็นเจ้าเป็นดินปกครองรัศดร ถ้าเราฟังคำํำพันยกตัวขึ้นเป็นเจ้าก็เห็นอยู่ว่าเราไม่ตรงต่อแผ่นดินเราปี่ปฏิเิตขนเบ่งกกขืนเข้าไปทูลอีกเป็นสองครั้งสามครั้งเล่าปีก็ไม่ยอมขนเบ่งก็หาขึ้นมาทะ đua มาข้างนอกและก็อุบายของข้ไพเจ้ามีอย่างจะให้เราปี่ยอมให้จบได้ท่านทั้งปวงจงคอยอยู่ก่อนเถอะ ผมเบ่งว่าดังนี้แล้วอยู่มาคงเบ่งก็ทําเป็นปน่วยไม่ไปเฝ้าพระเจ้าเหล่าตีแจ้งว่าผงเบ่งป่วยก็ไปเยี่ยมยังมัน่นเขาไปนั่งที่เก้าอีกใกล้เตียงที่คงเบ่ง น, นอนแล้วก็ถามว่าท่านอาจารย์ป่วเป็นประการใดคงเบ่งก็บอกว่าใน อ, อกเขาเ็เจ้าเนี่ยให้ร้อนดังไฟเผา ที่จะจำเริญสุดปายก็เห็นว่าหาไม่แล้วราวปีก็ถามว่าท่านเป็นทุกขด้วยอันใดขเนเบ่งก็หลับตานนีเสียลาวปีถานอีกครั้งนะขงเนเบ่งก็หนงอยู่ดังนั้นอีกแล้วลาวปีถามถึงสามครั้งขงเนเบ่งก็พิมว่าเข้าพเจาพิษเพราะมือเห็นว่าไข่เข้าพเจาครั้งนี้หนักนะ นสองให้มูดพูดก็มีใคยจะออกคนเล่นฝูงอย่างนี้นะแต่เล่าปีมายืมข น, นเงเล่นเนี่ยก็เห็นว่าคนเงเด่นหาได้เป็นอะไรไหมเป็นแต่แกล้งทำเป็นไข่อย่างเนี้ก็สงสัยนะก็จิถาานว่ะทุกร้อนท่านประการใบจึงไม่บอกให้กบเจ้ารู้บ้างเลยคนเล่นก็ถอดใจใหญ่แล้วก็จริงว่าแต่ก่อน ข้าพเจ้าออกจากบ้านมาทำราชการอยู่ด้วยท่านจนได้เมืองเสฉวนข้าพเจ้าก็ขอบคุณท่านเด็กจะวาดาประการใดท่านก็ทำตามทุกสิ่งทุกประการแต่บัดนี้ไอโจผีคิดขบถต่อแผ่นดินทิ้งราชสมบัติข้าพระเจ้าเ ย, ยนเตและคุณนางทั้งปวงเสียเอาราชสมบัติไปเป็นของมันแค่นี้ ขุนนางทั้งตัวที่เป็นพักพวกมันไปยกย่องโจผีเลยขึ้นเป็นเจ้าแผ่นดินบัดนี้ขุนนางทั้งตัวฝ่ายเราต่างก็พร้อมการจะยกท่านเลยเป็นเจ้าแผ่นดินบ้างเพื่อจะได้ยกท่าไปกำจัดโจผีเสพตูวและจะสมบัติได้ท่านก็ไม่ยอมเขาไเจ้าโลกขุนนางจะเสียน้ำใจนานไป ก็จะเอาใจออกหักถ้าคุณนางสมหวังเป็นพวเอาใจออกหักแล้วขุนกวนโจผีข่าศิษ์ทั้งสองฝ่ายนี้ก็จะมาทามันตรายท่านเมืองเสฉ ว, วนก็จะขัดผลเพ้เป็นมั่นคงเหตุแค่นี้ข้าพเจ้าจิงเป็นทุกข์หนักรอบปีเด็ฟังก็จิงว่า เราไม่ยอมทั้งนี้เน่ยก็พบเพรเพงรัศดรทั้งปวงไม่เห็นด้วยเขาจะนีนทาเอาคมเบ่งก็คึงว่าถ้าคนหาสติปัญญาไม่นี่ได้เป็นที่ทรัศดรเลยรัศดรก็ไม่รักใครและ ย, ยกตัวใหญเป็นใหญ่คนทั้งปวงก็จะนีนทาแต่นี่ท่านก็เป็นชาติเทวกระรสักสืบมา และประกอบด้วยสติปัญญาเด็กเป็นที่พึ่งแกร่รศดรควแรแล้วที่ตัณเจต ย, ยกตัวขึ้นเป็นใหญ่ข้าพเจ้าเห็นว่าหามีผู้ติเตียนมินพาไม่เห็นว่าจะเป็นที่ชอบใจแต่ไข้ฟ้าและเศพศปยาดาทั้งปวงอีกล่าปีก็จรงว่ า, ถ, าถ้าเกินนั้นถ้เป็นเกินนั้นแล้วข้าพเจ้าก็จะยอมแต่ว่าสมณจามหายไข้ เราจึงค่อยคิดอ่านกันโนเด่งเดี๋ยันนี้ก็ดีใจาขายไข่ทันทีเลยลุกขึ้นคำนี้กำนันบอกไปเอามือเคาะที่รับแลประหยัดเงิงตังจวงออกชื่อข้าวจิงมีต๊มีิต๊ะมีเก่าแก่เลยเนกีเหล่าเปาเจาเจ้จเต่ า, ตาขึงเตยว จางเรียวขนหงขนหัวขนอิเนเด็กอินขุนเดียวขเียวขุนองมาอิทอิจักจิมี่คอรังอยู่ในที่ส่งหลังฉากคนเริ่เรียกคุณานายเราดีออกมาคุณนายท่านผนี้ก็มาคำมาปรากฏว่าการพึ่งป ร, รึกษานั้นท่านเห็นชอบโดแล้วถ้าท่านยอมแล้ว ก็จะได้หาวันนี้ยกขึ้นเป็นเจ้าแผ่นดีนข้าวิ่เล่าปีเมืาเยี่ยมคนเรื่องเฉยๆก็เอาลยอมรับปากรับคำแล้วก็ไว้คอย ค, อยคิดอ่านกันตอนที่เขาคิดอ่าน ก, กันกันจะพร้อมเ้าอย่างนี้เล่าเปลี่ยนขุ้นมาดูอย่าพร้อมมากทำทำปีนี้ก็ตกใจเขาจล็กเข้าไปเจ้าถผีฝันนี้ได้ครั้งนี้ก็เพราะขับพวกขพืนตั้งตัวนี้ได้ ผมเ่งก็คอว่าถาท่ายอมแล้วข้าพเจ้าก็จะเริ่งจัดแจงการให้สมควรตามอย่างธรรมเนียมแต่ก่อนแล้วก็หาวันรุ่งดีจะได้ยกเล่ปีที่ เ, เป็นเป็นดนเล่าปีก็กลับไปวันผมเร่งค่อยเข้าตีนกองไปปลุกรงอภิเศษสำเร็จแล้วก็ดรวมเครื่องอภิเศษทั้งปวงตามอย่างกฎสัตว์คนถึงดูนหก ขึ้นสิบสองค่ำอันเป็นวันรดดีปีเจ็ดร้อยหกสิบสี่ของเบงก็าพาขุนนางที่ใหญ่ผู้น้อยทั้งเปรียเโผลรอบปีขึ้นอย่างโรยพิธีคุณนางทั้งเปรียงกปฝ่าแหนกนลงมาอยู่เป็นชั้นๆั้นสามชั้นอรงพิธีก็ไปหนีและก็เชิญเจ้าเจ้าปีให้เส็เทพยายาควาดินเที่อประวนติดดับฟืนร่วงรับไปแต่ก่อนแล้วนั้น และขุนเมื่งก็เชิญพระแสงกระบีและตราหยกสำหรับกระสับขึ้นไปถวายพระเจ้าเหล่าปีก็รับพระแสงกระบีตราหยกบรรดาขุนนางผูใหญ่ผู้มัองกั่งระวายบังคมพร้อมกันพระเจ้าเหลาปีก็ตั้งอยู่ในสมุติกระสับแต่นั้นมาเพงถวายพระนามว่าพระเจ้าเย่างบอ ให้มังหมอสีเมียหลวงเป็นห้องเฮาคืออัครเมเหสีแล้วจึงตั้งเหล่าเสี่อนผู้บุตรคนใหญ่ให้เป็นไทจูเหล่าโขนป่านั้นเป็นบุตที่สองให้เป็นไทเข่งเหล่าเองเป็นเหล่าอ๋องเหล่าีเป็นเข่ง อ, อง๋องอะท่านหมายเป็นเจ้าต่างกรม น, นี่เองแล้วก็ตัง้งขนเป็นมหาอุปราช เขาจึงเป็นเสนาบดีผู้ใหญ่ให้เรื่องที่คุณนายผู้ใหญ่ผู้น้อยตามสมควรให้เลิกเวยสาอากรขมตลาดนิรเรียงเอาแปรัศดรสามปีเป็นอันงว่าเกาปีก็คือเจ้าแผ่นดินว่นวะแล้วก็ตั้ว่ากันเลยตอนนี้ ที่เรียกว่ า, า, า, า, า, า, าเป็นกงิงๆสบ้านสเมืองเจ้าแผ่นดินละอ่ะอาวนึ่งละนอปีอีกหนึ่งล่าคือเสฉวนอปีนี่คืวอว่ารัศดรชามตังฉวนและเส้ฉวนตัวนี่นนเป็นนุใหญ่แล้วก็เส้อฉวนทื่เป็นวนุนหอ่ะและ้ววินนขึ้นปเรียง ก็จื่นชมยินดีเร่พระเจ้าเหล่าปียู่นนะครั้งแล้วจากการปพิเศษมาหลายวันพระเจ้าเหล่าปีก็ว่าจากการปรึก ษ, ษาขุนานางขันเปวืงว่าเตรียมปีตรีหุยกับเราได้ความศัตด์กันไว้ซึ่งเปรืองธรรมปาราแก่เปรืองอีมองเราถ้าเราม่ได้แก้แข้นก็จะเสียตามศัตด์ไป ไปตีเมืองกันตังดับพึ่นเปยนข้าเ re, ึียผมนา่ท่านปวงเจนระการได้ ไปตั้งยีณาดานเปนเปลืออันเป็นต้นน้ำฝ่ายทหารที่มีชื่อียซึ่ ง, าางอยูีณาดานเปนเลือมนั้นก็จะเอาเงิรสเบียมาถมาวายแกพระองค์และตัวเองก็จะมาช่วยทําศึกเมื่อได้ทหารชาวบ้านเข้าไปเป็นกําลังแล้วก็เมื่อจะทําศึกสะดวกถ้านี้กําจัดโจครีสะก่อนแล้วจะยกไปตีซึ่งเปลือมตีเดียวนั้น ก็เหอนว่าโจผีจะยกไปช่วยสึ่งเปเห็นการเราจะทำไปนั้นจะขัดสนการทงนี้เป็นการใหญ่ขอเพื่อนปรวมปร่องพิเคราะห์นละเอียดที่เรื่องไม่ค่อยจะพูดไม่ค่อยจะคับคา้านรุดแดความคิดหนใายรอท่านไม่จำเป็นมันนี้ก่าวได้ดีเหตุผมนี้ผลต้องพร้อมนี้เพีเลีาวะ ่อกล่าวเนี่ยเมื่อสึกเป็นสองหนองน่ชนนี้รบเนี่ยต้องรบแต่จะรบใครก่อนจะรบเหตุการน์ที่จะรบควรจะต้องรบรูโตคือเจอ้าโตัวผิงนี้ก่อนแนะแต่ขึานไปเจะเราปีนหรือความแคมและคำสามานเป็นใหญ่กว่าก็จริงว่าไอ้ซึ่อวนกับ ออย่เมีกินมาเต็มมันทำร้ายแก่ง้องเราล้วดูขึ้นมาเราให้คบฟันจะคายกินนี้ไม่ได้จะคายเรานี่แค่ทุกคกและตีจาหายแค้นเรื่จุลน์ก็พูดว่าความแค้นทั้งเจผีนี้เป็นความแค้นที่จะิดทำให้เจ็บใจผัวทั้งน ยายพี่น้องจะรักสะบอทนทุ่งติ๋วงไฟวกความแค้นทข่ส้นเวนี้ mm. ก็ให้เจ็บใจแต่พระเอ็นแต่พี่แต่น้องขอพรอเองไปแก้แค้นโจผีเถิดเห็นว่าจะเป็นที่ชอบใจคนทั้งติว๋วงดีเพื่อนค่านเป็นคนที่ฟังดีนิดเราปีก็ดีละถ้าเราไม่แก้แข้นแทนน้องไรได้ คนนนเปรียก็เห็นว่าเราหามีความศักดิ์่เราไม่ฟังคำเตียวตีเลงแล้วอืเพราะเจ้าเราปีกลัมานีแล้วไม่ฟังแล้วแล้วก็เป็สังขารมวยจัดเจ้าการทับไปยกไปปีสิ้นเปรียวสังขางไม่ถึงสีงงงไไสสงอสสสไปยังเมือมงเหาเคเซียให้สมโมโขโจากเ ม, มืองเหาเคเซียยกให้วยว ม, มีอมือมามืองเสฉวน เราจะมีการาปตั้งเรือวิ่ง จะแต่แวเื่อทั้งกลงวันเป็นคืนจนน้ำตาเป็นเือดไหลออกมานึ่งจนน้ำตาเนี่เป็นเลือดไหลออกมาเลยทีเดียวแต่คำหยุน่นอาจจะเป็นเพียงคำเปลือกเทียนนี่อาจจะเป็นคำกินก็ตฟัถอะแสดงว่าเปลือกหยุ่นเื่ออกเสียใจเป็นอย่า ง, ย ง, ยงที่สุดเลยถ้ามึงทั้กเนี่ก็ตกใจเปลืเปลือหยจ่จะตาย เขอาอบและเรมเอาใจชให้ เ, หเตียววิเศษซูราย่างจดคลายความทุกข์นเรอโซงก็เป็นของที่เตียววิชอบอยู่แล้วจะเสพีรายะพึ่งพิงนาเพียงไม่ร า, ร า, ทนานเท า, า, าแล้วเนที่ทจะเมือนความคิดเพนติดไปด้กลัหาเป็นจนันทหม ใ ท, ทุ้งเดือรงนี้ัมาทมเพื่อที่ทุมอเงนี้มานมนโกรธเป็นกำลังดีจะทําแตลทนสิเปลือยได้โโ ร, โรเรนี้ก็กเป็ ม, ม, มยกําลังเานี่แเม็ดเ็ผลผลเต็ ท, นนทน ย, ทยทนไปด้ความโกรธท่าเนี่ยถูกบรรดาทหารที่าบแต่กันีบางคนแผลหักขาหักบางคนถึงตาย ท่านท่านาเปิเทท่านทำอย่างนั้นคือจะโองวักผุ้นผังได้ตามก่ะสาคนเมาอะแต่ริเมชพลังของต้นหนุนหนักหนานัเรื่องเราถึงตงยก็มีการหักขาหักหัวแตกแล้วก็บหวไม่ไไปทางมกันตั้งคำเลื่อนจ้องมองเีตั้งพาพาน เขาได้ขึ้นติ่งเกี่ยงันต่างๆมกมีเพลิิดติดขึ้นอยูในใจนึ่งตัว่งนะโรธิดตดตัอีกคนหนึ่งขทั้งหลายเขาใึกษาอย่างนั้นก็จะบอปิดสถาะกันอย่างนี้เราที่ม้องสคนได้ความสัตย์รจันได้แต่ก่อนว่าจะเป็นจะตายก็เป็นก็ตายเด็กกันแบบนี้เป็อนอีพี่เรา ยังม่ถึงกันหมดอายุปรรมะให้แล้วยังจอเราจะเป็นใจมีหาความจะมนันไม่ควรจะเสียความสัตย์ไปตเราจะไปข้าวเพื่อเราปีต่ขออาสาเป็นรับมากจะให้จัรกองพัพทั้งเดือนนิ่งขาวเห็นขาวรือผคนขาวขีดม้าขาวไปตัดไปตะปข้าวเยอ เพื่อเส้น ย, นนยิงย่ามนปล่นีพี่เราแหละเราจึงจะให้ความแข็งยิงเปลีนมากทีเดียว้องกัรมากทีเดียวมีอขาวหงษขาวพอประการแรกคนคนขาวนี่ก็พอทเาเอาแล้วมือขาวหงษขาวเนี่ยนี่ก็หนักอยู่ต้องตัดเครืแบบใหม่ยังกระเาห่งงงทงกองทัพเลยเนี่ย แล้วที่สำคัญนกที่สุดนี่จ ะ, จะทำได้หรอใหรมาขาวทั้งกองับเนี่ยอืจะต้องเอามามาเอาสีทาเลยมั้งเพียงังอย่างนี้และเพียงสักับพี่ น, นี่กพากันไปเมืองเสฉ ว, น ข, สว น, น, นขันากกางเสฉวนนี่เขาจะรอบปก็ตกแต่เครื่องจักรกตรดทเมื น, นกำแงความ คอยเมื่อได้เริ่มเมื่อก็จะยกทับเหลวนไปรบขึ้นเปรตใจคืนเมืองที่ใหญ่ที่มาก็ังตก็พากันไปหาขนเบ่งย่งบ้านของขนเบ่งแล้วก็ปึกษาหยกพระเจ้เอหยกอกก็ขึ้นไปขึ้นเสวยแจะสมบัติใหม่ๆแต่ยกกองทับเหลวด้มาแต่พระองค์น่เห็นไม่สมเปรนเลยทำหน้าเป ร, รารเป็นผีใหญ่ ได้รึกษารื่การที่เเห็นดีอยู่แล้วหรือจริงไม่ได้ทูลทักทูนเรื่รามเลยอยู่กุณนางนตะเวนมาดึงเอาที่ขนด่ขนดึงก็ย่ข้าพเจ้าก็ทูลหรืห่อปรามเป็นหลายครั้งแล้วพระองลิกฟังมาเราจะชวนกันไปเฝ้าม่ส ว่านแล้วก็พากันไปปักพากันไปนไ ป, ปักแล้วเจาะผีขนุนไปถึงก็ื้น่ะพระเอ็นขึ้นได้ระดับสมบัตใหม่จะยกทัพไปเจาะปีเจผีขึ้นตั้งตัวเป็นใหญ่ตั้งตัวเป็นเจ้าเป็นผู้ชิงระดัสมบัติจากพระญาติพระเอนของพระเ อ, ะเอ็นนิ่งถึงเก็ค ท, ทุนถ้าจะยกไปตจาขึ้นคตรียก่อนนีมันะเองไม่ควรเลยชอบแต่จะให้ทหารที่ใหญ่ตาย กินจะได้ระเบิดการดีเหมือนความผลิบก็หนึ่งหราที่เกิดไปแต่ควรจะต้องตัดคำนามที่ใหญ่ไปความเหมาะความควี่ยงแค่ไหนประการใดอย่างไรขั้นก็จะรับผิดได้กันหนึ่งอยู่คือจะมีความเทลรมีความเทเรนผล่บอยู่บ้างพอควรละแต่เพราะคาผลิบเน่ ไม่อาจจะทักแทนพระประสงค์ที่จะรางแค้นในครั้งนี้ได้หรอกพระเจ้าจรอปีกยืนจมืม่นอยท่ขณะนั้นก็พอดีมีคนเข้าไปทุยละมัดนี้เดียวอีเตวีพระอนุเทจะขอเข้าเต้าหีึ่งนจีีเจนกุลมาจากเมืองลองสีจะขอเข้าเต่าพระเจ้ารอปีกเพื่อหยุดนะเดี๋วอีนีนนเข้ามาทีเดียเียววีเข้าไปจิ้มตกราบเลย สองมือเขาปอดพระบาทพระเจ้ า, เาปีแลวก็ร้องหิ้งก็ไม่เห็นใจร้อ ง, งอย่างเตียวหิ้งเต็มเต็มเลยความแข็งเป็นที่ยิ่งละเจ้าเจาปีก็เป็นพระกันแสงคลคลายโตกแล้วเตียวหิ้ก็ปีละเพระเอ็นไม่ใจเย็นเถึงสบักแล้ ว, ว, ล, ล, วลืมความสัตที่ให้กันแม้แต่ก่อนจะให้หรือรเอนปีไม่ แก้แขปงแทเตียงอีเลยนี่ทอดคำเตียงม น, นี่มันประดุจนำมันเชื้อเพลิงังใหญ่แรงก็ปิดกองไฟนั่นเองถ้าะระเจ้าเราปิดก็ค แ, แต่เราคิดอยู่เราคิดน่นะเดี๋ยจะยกทัพไปแก้แขงแต่ว่าคุณนายสังเกตเขาหิ้วยังให้เราจึงังนวดอยูก่อเียงหิ้มก็คือแบคนที่เตียงหิ้ เขาหาได้นความสับแล้วแต่รียนนี้นกับพออระเอลยาจ้าใหม่พระเอลยาลกไปแล้วขบจ้าวิหาทิ่งไทีนิ้มาจะขอยกกองเขาไปแก้แค้นเองถ้าแก้แค้นนี้ได้ก็ตางะมก็ีกว่าที่จะตัดม็นหน้าพระองค์ Oh, <laughs> dear. คนดึงคนนึงเลือดยิ้มปิเป็นโทษไปท่นันคนดึงก็เป็นเรื่องราวก็ไปถวายมิใชความว่าข็าบริิ์ครอมีการเห็นว่าเมื่อขึ้นกวนยกทับมาครังนั้นาประจำตัวเกวียนิปริเียนอีกเป็นอตราย ขบเจ้าคิดเสยไม่ เ, มเอื้อนีนะแต่ขบ เ, เ, เจ้าเห็นโทกเจผี ม, มัดกลาที่ทำร้ายกแกพระเจ้ายิ่งเตะินมองแลระรับะดองทั้งเตียงเก็บใจทิ่พันดีฝ่ายสิ้นเือนนั้นเจ็บใจแกพระองค์อนงนจะทำกับสิ้นเอื้อนเป็นต้นไมยถ้าเป็นยกกองทัพไปเป็จับเจผีได้แล้ว ซึ่งเนก็ยามเข้ามาเป็นข้าพระองค์ซึ่งทำจิุูนเหนืนจะเป็นคนเชื่อนะได้เรียนแต่ที่จะจารยกยิกไม่ผนทองขอพระองค์ตรกตรองให้นนมีนสือขนดึงเพื่อจะรตอตัวหนสดูแล้วก็โกลให้หสีลงแค่เลยทีเดียวคือแบบนี้ เราต่นรเจ้าเราตืพรเจเราตนีกรัวุ่งพุลยไม่รัตเดียวเมื่อเจอคนเก่เนาะพุ่งพุเลเองก็เถอะมประมาทที่ยิ่งใหญ่นนี้ก็ดูจะรอ้ร้เป็นที่รู้จัดยุคจัดทุ่มจะทุ่มจัตงเนี่ยจะดูจะกระทำโดยวัมนี้คืารที่จะกระทำในความกร การของคุณี่มันหดในพรุ่นี้มันจะให้ข้าวมันเป็นสองคนเคะนี่นี่คือคำสั่งฉบับที่สองอาญาตายตามมาเรนะแลแล้วเปลวฤกษก็เลยมนความเปลวเปล่ามาเจ็บนะกเลือดมันไหลออกปากเล ย, เยดกดโดยชนิดเนี้ยมันสาหะเป็นที่ยูนเงียนตปเลยนะ เดี๋ยวก็ทังให้แก้มแนะแล้วเดี๋ยวก็กลับเข้าไปฝ่ายหอมเตียงเปียนตัดกลับมาถึงที่อยู่แล้วหอมเตียงก็ถือ ว, ว่าเกลี่ยนตับว่าเตียงหูนี้มีมะเห่มากโกระดูกที่นี่ก็เหมือนฝ่ายไม้วันนี้ก็เดินเราหนาชค่นี้แลเพื่นนี้ เพื่อคืงเตือนกับใจยังเราเตี้ยปากก็เตี่ยท่านมิอของเราไม่เคยตายด้วยมือมันคือวันนี้มันก็จะต้องกินเหล้าก็นเหล้าแล้ออกมานอนวันนี้ท่านว่าจะแกงเหมือ น, นแต่ก่อนแต่เราก็าจะเข้าไปฆ่ามันก็ให้ตายแต่ถ้าเป็นกรรมของเราจะถึงที่ตายของเรา มันก็คงไม่มาเราแลวเราก็ไม่รู้ที่จะทำปรกันได้เปลียนต่างต่อแต่วิธีแบ น, นี้ดังนั้นฐานการสังหารพระอนิชาต์านการสังหารเตียวอีเต๋อที่ถูกวางขึ้นอยู่วิธีนี้แน่ชะ น, นี้ละนเี้วิ ไม่เวลากันขันดังนั้นคอยเดือร้อรคาญใจยิงกว่าเพรทนอน่รก็มาผูกกับทหาที่อยู่ร้วที่กัดท่านไม่อหน่อยนอนไ่รเพืดือร้อนราคาญใจกลับกุ้จะไปเลืกห้ตั้งใอ่ะทหาก็จนว่าก็เพราะท่านยิตกถตัวยิ่งนักให้กระวนกรวาไ เตียวหุ่นเด็กตายไม่ตงกเรียกเอาฟูรามาปินป ก, กินกับหนไม่เปนี่แหละเละี๋ยวันมันเตียวหื่นอ่จะถึงที่ตายก็เพราะเอไม่เสพุูรามากเมาหนักนักเาอกำลังเข า, มา เ, มเมาจนไม่รู้ตัว